เราจิดกุร จำเอาไว้ต้องเดินกลับมานับไปอีกทีนะนับนับไปอีกทีคินเธอทำแบบนี้ไม่ได้รอกไม่เคยมีความกลัวเลยไม่เคยสั ก, กทกีกลัวก็กลัวแต่เธอไม่ คอยเธอเอากลับไปคิดเลย y yeah!